สิกขาบทวิพังห้าร้อยเว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคําว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้หอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ว่าภิกษุในความหมา น, นี้ที่ชื่อว่าผู้ไม่ใช่ญาติคือไม่ใช่คนที่เกี่ยวเนื่องทันทางบรรดาหรือทาง ตลอดเจ็ดชั่วคนที่ชื่อว่าภิกษุณีได้แก่มาตุคามที่อุปสมบทในสงสองฝ่ายภิกษุสั่งว่าจงซักต้องอบัตทุ ก, กฎดขนเทียมที่ซักแล้วเป็นนิสกีภิกษุสั่งว่าจงยอมต้องอบัตทุกกดขนเทียมที่ยอมแล้วเป็นนิสกีภิกษุสั่งว่าจงสางต้องอบัตทุกกดขนเทียมที่สางแล้วเป็นนิสกีคือเป็นของจำต้องสละแก่สง แกคณะหรือแกบุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงรับสละคนเทียมที่เป็นนิสกีอย่างนี้